ข่าลพรท่านผู้มีเจตเมตตากรารวนาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันสาวที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างอยากภารกิจการงานต่างๆยังได้ตั้งใจมา เพื่อมาทำความดีที่เป็นเหตุที่จะนำมาสร่งความสุขและความเจริญของจิตใจคุณธรรมที่ทำให้เราเป็นคนดีนั้นมีอยู่สี่ประการด้วยกันคือ 1. เ, เมตตาสองกรรยณา 3. ม, มุติตา 4. อุเบกขา ผู้ใดมีคุณธรรมทั้ง4ประการอยู่ในใจแล้วจะเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นเหมือนเป็นพรเพราะว่าเป็นผู้ที่ให้เป็นผู้ที่ให้ความสุขแก่ผู้อื่นเป็นผู้ที่ไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและกับต น, นเองคุณธรรมทั้ง4ี่ประการนี้ เป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขอย่างมีความเจริญถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีมิตรมีเพื่อนมีผู้ที่รักเราชอบเราเราควรที่จะสร้างคาุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ให้เกิดขึ้นอยู่ในใจของเราอยู่เรื่อยๆคือข้อที่หนึ่งเมตตา คือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความเมตตานี้เราต้องเจริญอยู่เรื่อยๆด้วยการซ้องทำไปก่อนเช่นเวลาเราอยู่ตามลำพังก็ขอให้เราเลือกถึงคุณสมบัติของความเมตตาที่มีอยู่สี่ประการด้วยการคือหนึ่งเอาเวลาโหมตุ 2. อ, อัปยาป ช, ชาของโตสาอณีกาหงติโตส 4. สุขีอัตานังปริหารันตตนี่คือคุณสมบัติของผู้ที่มีความเมตตาอเวลาแต่ว่าไม่มีเวรไม่จองเวรไม่ว่าใครก็ตาที่ทำให้เราเดือดร้อนทำให้เรา โกรธทำให้เราเสียใจท่านบอกว่าเราต้องไม่จองเวรคือให้อภัยเพราะถ้าเราให้อภัยได้ใจของเราจะหายโกรธหายเกลียดหายร้อนเราจะได้ไม่ไปทำสิ่งที่เสียหายที่ตามมาเช่นไปพูดไม่ดีไปทำไม่ดีเป็นต้น และจะช่วยดับความรุ่มรอ้อนภายในใจของเราได้ทำให้ใจของเราเย็นเป็นปกติเพราะสิ่งที่เขาทำแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลมันได้แต่สิ่งที่เราเปลี่ยนได้ก็คือใจของเราใจที่รุ่มรอ้อนเราเปลี่ยนให้เย็นได้ ถ้าเราไม่จองเวรเราให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองกับการกระทำของผู้อื่นขอให้คิดว่าเป็นการใช้หนี้ก็แล้วกันเราอาจจะไปพูดไปทำอะไรที่ทำให้เขาไม่พอใจเขาจึงต้องมาพูดมากระทำให้เราต้องเสียใจหรือไม่พอใจได้ หรือว่าถ้าเราไม่ได้พูดไม่ได้กระทําอะไรก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมคือในอดีตเราอาจจะมีความจองเวรจองกรรมกันมามีความไม่ เ, เป็นมิตรกันมาพอเวลาเราเจอกันเราก็มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันในชีวิตเราถ้าลองสังเกตดูจะเห็นว่า เวลาเราพบกับคนต่างๆนั้นใจของเราจะมีรู้สึกมีความรู้สึกแตกต่างกันไปกับคนบางคนเราพบแล้วเราก็เกิดความชอบกับคนบางคนเราพบแล้วเราก็เกิดความไม่ชอบขึ้นมากับคนบางคนเราพบแล้วก็จะรู้สึกเฉยๆนี่เป็นเพราะว่าในอนดีตเราเคยมีอะไรกันมา ถ้าชอบก็สแสดงว่าเราเคยอุปปการะกัน<อ>เคยช่วยเหลือกัน<อ>เคยร่วมทำความดี<อ>เคยรักกันมาพอเห็นก็เกิดความชอบใจส่วนคนที่เราเจอแล้วไม่ไม่ชอบใจก็เป็นเพราะว่าในอดีตเราเคยมีเวรมีกรรมกันมาเราเคยต่อสู้กันเราเคยเป็นคู่แข่งขันกัน เราเคยทำร้ายกันทาลายกันพอเราเจอกันเราก็เลยเกิดความไม่พอใจไม่ชอบใจแต่เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ถ้าเราแผ่เมตตาให้กับเขาแทนที่เราจะเกลียดเขาเราก็แผ่เมตตาความปรารถนาดีปรารถนาให้เขาอยู่อย่างมีความสุข ไม่คิดร้ายกับเขานี่คือเรื่องของเมตตาต้องอเวราหงตุแต่ว่าไม่จองเวนไม่แล้วก็อปยาปัชาหงตุคือไม่เบียดเบียนกันคือไม่ทำร้ายเขาด้วยวิธีการต่างๆแล้วอนิคาหงตุไม่สร้างความทุกข์ให้กับเขา แลก็สสุขีอตานังปะลิหารันตุให้เขามีความสุขทําอะไรที่ทําแล้วให้เขามีความสุขทําได้ก็ทําไปนี่เป็นวิธีที่จะทําให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีกรรมอยู่อย่างไม่มีสัตวรูอยู่อย่างเป็นที่รักของผู้ ผู้ที่มีความเมตตานี้มีอนิสงส์หลายประการด้วยกันที่ท่านแสดงไว้ที่จำได้ก็คือตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขเวลาหลับก็ไม่ฝันรา้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และของเทวดาทั้งหลายจะไม่ตายด้วยการถูกฆ่าจากผู้อื่น เพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรที่ทำให้ผู้เขาโกรธเขาเกลียดเขาอยากจะฆ่าเรานั่นเอง mm hmm. การแผ่เมตตานี้ก็ทำได้สองลักษณะลักษณะที่เรารู้กันก็คือเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วเราก็จะริญบทเมตตาภาวนาอย่างที่เราสวดสัเพส ต, ตาเอาเวราหมตุ อันนี้เป็นการแผ่แบบเป็นการซ้อมไปก่อนคือเตรียมตัวเตรียมใจของเราให้รู้จากการแผ่เมตตาว่าเราต้องไม่จองเวรเราต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราต้องไม่ทำร้ายทำลายจิตใจของผู้อื่นเราต้องปรารถนาดีปรารถนาให้ผู้อื่น มีความสุขอันนี้เราต้องซ้อมไว้ก่อนคิดไว้ก่อนเตือนสติไว้เรื่อยๆและเวลาที่เราพบปะกับคนเราจะได้แผ่เมตตาได้จริงๆเป็นเหมือนนักมวยก่อนที่จะขึ้นชก บ, บนเวทีก็ต้องซ้อมชกกับกระสอบทรายซ้อมชกกับคู่คู่ซ้อมก่อนเพื่อให้เราพร้อมที่จะ ต่อกับคู่ต่อสู้ของเราฉันใดเวลาที่เราสวดนมนตแล้วเราแผ่เมตตานี้ก็เป็นเหมือนการซ้อมกันไปก่อนเพื่อรอให้เราพร้อมเวลาที่เราไปเจอกับเหตุการณ์จริงเวลาไปเจอคนแล้วเขาทําร้ายเราเขาพูดไม่ดีเราจะได้แผ่เมตตาให้กับเขา ขอให้อภัยเขาไม่โกรธแค้นโกรธเคืองเขาไม่จองเวจองกันไม่ตอบโต้ถ้าตอบโต้ก็ตอบโต้ด้วยคำพูดด้วยการกระทาที่ดีเช่นให้ข้าวให้ของเขาหรือยิ้มแย้มแต่เจ็มใสถึงแม้ว่าเขาจะทำอะไรไม่ดีก็ตาม นี่คือวิธีแผ่เมตตาที่แท้จริงต้องแผ่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ต้องเกิดแผ่ตอนที่เราพบปะ ก, กับคนเวลาเจอคนก็ให้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสให้เบิกบานไม่น่าบบ้งตึงนพยายามฝืนยิ้มเข้าไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นการฝืนก็ดีกว่าให้หน้าตาของเราบึ้งตึง่น กาไม่มีใครอยากจะเห็นคนหน้าตาบึ้งตึงนั่นเองเห็นแล้วก็ไม่สบายใจเห็นคนที่ยิ้มนี่เห็นแล้วก็สบายใจออรู้ว่าเขาไม่มีอะไรกับเราเขาไม่โกรธเขาไม่เกลียดเราเขาก็จะทำให้เขาไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเราถ้าเราทำหน้าตาบึ้งตึงเวลาเขาเห็นเขาเขาก็เกิด ความไม่สบายใจขึ้นมาเขาก็จะกลับมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเราได้แล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้ดังนั้นคนไทยเราจึงถูกสอนให้มีความเมตตาเมืองไทยจึงมีสัญลักษณ์ว่าเป็นเมืองยิ้มคนไทยนิ้มเก่งเวลาชาวต่างประเทศมาเมืองไทยนี้ สิ่งที่เขาประทับใจก็คือความเมตตาของคนไทยคนไทยนี้เป็นคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยินดีต้อนรับมีความยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือการแผ่เมตตาถ้าเราแผ่ไ่าแล้วเราจะมีแต่ความสุขเราจะไม่รู้สึกทุกข์เพราะไม่มีใครจะทำอะไรให้เราทุกข์ได้นั่นเอง นี่คือข้อที่หน่คุณธรรมที่เราควรที่จ ะ, จะเจริญอยู่บ่อยๆจเจริญอยู่เรื่อยๆถ้าเราทำบ่อยๆเข้าแล้วก็จะเป็นการกระทาที่ง่ายเวลาทำอะไรใหม่ๆนี้จะรู้สึกยากโดยเฉพาะถ้าเราไม่เคยทำมาก่อนเช่นถ้าเราไม่เคยใช้มือซ้ายแล้วเราต้องมีความจาเป็นจะต้องใช้มือซ้าย พอมือขวาเราอาจจะไม่สามารถใช้งานได้เราก็ต้องฝืนทําไปก่อนพอเราทักฝืนทาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะถนัดใช้มือซ้ายไปเองคนที่เขาไม่มีมือทั้งสองข้างเขยังสามารถใช้เท้าแทนมือได้เลยมีคนที่ใช้เท้าวาดภาพสวยกว่าคนที่ใช้มือวาดซิ เพราะว่าเขาสามารถฝึกทำให้ใช้เท้าของเขาให้วาดภาพที่สวยๆได้ฉันใดเราก็สามารถฝึกให้ใจของเรามีความเมตตาได้ถ้าเราพยายามฝืนบังคับใจฝืนแผดเมตตาไปเรื่อยๆต่อไปก็จะง่ายขึ้นไปตามลาดับจนกลายเป็นธรรมชาติไปเป็นนิสัยของเราไป นี่คือเรื่องคุณธรรมที่จะทำให้เราเป็นคนดีเป็นคนที่มีผู้รักชื่นชมยินดีอยากจะอยู่ใกล้เราอยากจะคบค้าสมาคมกับเราเราจะมีเพื่อนมากเราจะไม่มีศัตรูการอยู่ของเราเราจะอยู่อย่างสงบไม่ต้องหวาดภวาวิตกกังวลกับการ อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมของผู้อื่นเพราะเราไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาต้องอาฆาตพยาบาทนั่นเองข้อที่สองที่เราควรจะมีคุณธรรมก็คือกรุณากรุณาแปลว่าความสงสารคือสงสารในความทุกข์ยากลําบากในความเดือดร้อนของผู้อื่นถ้าเห็นผู้อื่นทุกข์ยากลําบาก และเราพอที่จะช่วยผ่อนคลายความทุกข์ยากลำบากของผู้อื่นได้เราก็ควรที่จะกระทำอย่าเมินเฉย อ, อย่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อย่าทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นทองไม่รู้ร้อน<ม>เห็นใครเขาลำบากเขากำลังทำอะไรอยู่เช่นถือของมาหนักเีของมามาก ถืออยู่คนเดียวถ้าเราพอที่จะแบ่งเบาภาระให้กับเขาได้ก็ควรที่จะช่วยเหลือเขาไปหรือถ้าเขาอดอยากขาดแคลนในปัจจัยสี่ก็ควรที่จะช่วยกันถ้าพอที่จะช่วยได้ถ้าขาดอาหารก็หาอาหารมาให้ขาดยารักษาโรคก็หายามาให้ ขาเสื้อผ้าอาภรณ์ก็หาเสื้อผ้าอาภรณ์มาให้ขาที่อยู่อาใสถ้าหาได้ก็หาให้เขาไปให้เขามีที่ พ, พักพิงหลบแดดหลบฝนถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทำชั่วคราวก็ยังดีกว่าไม่ได้กระทำอะไรเลยทำแล้วจะทำให้ใจของเรามีความสุขเพราะว่าเราให้ความสุขแก่ผู้นั่นเอง เวลาเราทำอะไรที่เป็นความสุขเป็นประโยชน์แก่ผู้ใจของเรานี้จะมีความสุขขึ้นมา ท, าทันทีในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปทำร้ายผู้ใจของเราก็จะเกิดความทุกข์เกิดความรุ่มร้อนขึ้นมา ท, าทันทีการที่เรามีความการุณานี้จะทำให้เรามีบุญมีคุณกับผู้อื่นในโอกาส นาในอนาคตถ้าเกิดเราเกิดตกทุกข์ได้ยากขึ้นมาจะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือเราอย่างมากมายเพราะเขาจำเราได้เขาอยากที่จะตอบแทนบุญคุณที่เราได้ทำให้กับเขาเพียงแต่ว่าเวลาเราช่วยเหลือใครก็ อ, อยากให้ทำเพื่อเป็นบุญเป็นคุณ ก็มันจะไม่ได้ทำให้ใจเรามีความสุขเราต้องทำด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนจากผู้ที่เราให้ความช่วยเหลือไม่ถือว่าเป็นบุญเป็นคุณกันถือว่าเป็นการสร้างคุณธรรมที่ดีให้กับใจสร้างความสุขให้กับใจถ้าไม่มีคนเดือดร้อนทุกข์ยากลบาบาก เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างความกรลปนาขึ้นมาภายในใจดังนั้นแทนที่จะเห็นว่าเขาเราทําบุญเป็นทําบุญให้ทําบุญทําคุณให้กับเขาเราควรจะคิดว่าเขาเป็นผู้ทําบุญทําคุณให้กับเราเพราะถ้าไม่มีเขาถ้าเขาไม่ตกทุกข์ได้ยากเหลื่อยรอนเราก็จะไม่สามารถจเจริญความกรลณาขึ้นมาได้ อย่างนั้นการได้ช่วยเหลือแถวนี้ก็เราเขาก็ทำบุญเขาก็เป็นบุญเป็นคุณกับเราแล้วเพราะทำให้เราได้เจริญความกัลุณาขึ้นมาทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีความเห็นแก่ตัวน้อยลงไปความเห็นแก่ตัวนี้จะทำให้ใจเราแค่จะทำให้ใจของเราไม่มีความสุข แต่ความกรุณนานี้จะลดความเห็นแก่ตัวจะทําให้ใจเรามีความเบิกบานมีความแจ่มใสนี่คือเรื่องของความกรุณนาที่เราควรที่จ ะ, จะเจริญอยู่เรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆต่างใดที่มันไม่ได้ทําให้เราเสียหายเรื่อยดรองแต่ถ้าเรา ถ้าเกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนเราก็ต้องใช้ปัญญาแยกแยะพิจารณาดูว่าควรจะเราควรจะยอมเดือดร้อนหรือไม่ถ้าเราเดือดร้อนด้วยการไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราต้องไปให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือเราอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะกระทำควรจะทำในเขตที่พอดีคือทำแล้วตัวเราเองไม่เดือดร้อน ไม่กลายเป็นภาระให้แก่ผู้อื่นคนบางคนชอบเนือช่วยเหลือคนอื่นจนลืมช่วยเหลือตัวเองไม่สามารถที่จะดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ต้องปล่อยให้ผู้อื่นมาดูแลตน อ, อีกทอดหนึ่งถ้าทำอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นที่จะต้องมาคอยดูลแลเราอีกทอดหนึ่ง เราต้องสามารถดูแลตัวของเราได้ก่อนไม่ไปสร้างไม่ไปเป็นภาระให้แก่ผู้อื่นแล้วเราชินค่อยไปช่วยเหลือผู้ตามลำดับต่อไปนี่คือความการลณาอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านก็มีความการุณาณต่อสัตว์โลกเป็นอย่างมากแต่ก่อนที่ท่านจะกรุณาช่วยเหลือสัตว์โลก ท่านก็ต้องช่วยเหลือตัวท่านก่อนตอนต้นท่านยังไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายตอนนั้นท่านก็ไม่ช่วยเหลือใครเลยท่านก็มุ่งไปสู่การปฏิบัติเพื่อทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก่อนตอนนั้นในสายตาของคนบางคนก็ไปเพ่งโทษว่าท่านเห็นแก่ตัว อย่างพวกที่บวชออกบวชทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งทรัพย์สมบัติทิ้งญาติพี่น้องนี้บางคนก็ม mm. องว่าเห็นแก่ตัวแต่เขาไม่เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องทําก่อนเหมือนกับเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อไปรักษาร่างกายของเราให้หายก่อนพอร่างกายเราหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว เราถึงจะมาช่วยเหลือผู้อื่นได้ตอนต้นเราต้องดูแลตัวเราก่อนต้องรักษาให้ร่างกายของเราหายจากโรคภัยไข้เจ็บก่อนทันใดการช่วยเหลือผู้อื่นก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงกระทาตอนต้นก็ต้องช่วยเหลือพระองค์เองก่อนหลังจากที่พระองค์ได้ตัดชะู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พรองก็มาช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปไม่ได้ทําอะไรให้กับไม่ต้องทําอะไรให้กับตนเ อ, เองแล้วเพราะตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วมีความสุขเต็มที่อยู่ตลอดเวลาแล้วตอนนั้นก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลา45สหปีด้วยกันลองเปรียบเทียบดูทรงก็งช่วยเหลือตนเองด้วยเวลา8ปี จะใช่เวลาช่วยเหลือผู้อื่นถึง45ปีด้วยกันอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวหรือไม่นี่คือเรื่องของความกระเวาที่เราควรที่จะกระทำกันถ้าเรายังไม่อยู่ฐานะที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้เราก็ต้องหักห้ามใจไว้ก่อนเช่นเรายังไม่ยังไม่เรียนหนังสือยังไม่จบยังไม่สามารถ ดูแลตัวเองได้ยังไม่มีรายได้ของตนเองยังต้องอาศัยเงินทองของพ่อแม่มาดูแลเราถ้าเราไม่ตัง้งใจเรียนเรากลับไปช่วยเหลือคนนั่นคนนี้ทํากิจกรรมอะไรต่างๆเราก็จะมาเรียนไม่จบแล้วเราก็ยังจะต้องขอเงินทองของพ่อแม่มาใช้อยู่ไมเรื่อยการกระทําแบบนี้เป็นการกระทําที่ไม่ถูกเป็น การช่วยเหลือผู้อื่นที่ไม่ถูกต้องช่วยเหลือตัวเราเองให้สามารถช่วยตัวเราได้ก่อน mm hmm. เมื่อเรามีไรายได้เรามีเวลาว่างเราพอแบ่งปันเวลาแบ่ง mm hmm. เงินทองให้แก่ผู้อื่นได้ตอนนั้นเราค่อยทํแล้าจะไม่มีปัญหาต่างๆตามมา mm hmm. ถ้าเรายังช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ยังจะช่วยตัวเองไปไม่ได้อยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถ สอนให้เราช่วยตัวเองได้ก่อนแล้วแล้วถึงค่อยไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนี่คือเรื่องของความกุณาข้อที่สามก็คือมุดิตามุดิตาก็คือความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นเวลาที่ผู้อื่นเขามีความสุขมีความเจริญให้เราชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญของผู้อื่น เช่นผู้อื่นได้ได้เงินเดือนขึ้นได้ตำแหน่งสูงขึ้นหรือได้พบกับสิ่งที่เขาปรารถนาเช่นได้คบคู่ครองได้แฟนได้แต่งงานกับคนที่เขารักเราควรที่จะแสดงความชื่นชมยินดีถ้าไม่สามารถแสดงออกมาได้ก็อย่างน้อยก็ให้มีอยู่ภายในใจ คืออย่าไปคิดอิจฉาลิสยาอย่าไปคิดไม่พอใจกับความสุขความเจริญของผู้อื่นเพราะคิดแบบนี้จะทำให้ใจเราปดหูวทำให้ใจเราเศร้าหมองทำให้ใจของเราไม่มีความสุขแต่ถ้าเราคิดชื่นชมยินดีกับเขากับความสุขความเจริญของผู้อื่นก็จะทำให้เรามีความสุขไปกับเขาด้วย เราต้องคิดว่าความสุขความเจริญของเขานี้มันเป็นผลของการกระทําของเขาเองเขาทําสิ่งที่ทําให้เกิดความสุขความเจริญขึ้นมาเราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะชื่นชมยินดีหรือไม่มันก็เป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้การไปปฏิเสธความสุขความเจริญของผู้อื่นมีแต่จะทําให้ใจของเราเศร้าหมอง ไม่เบิดบานไปตปล่าๆแต่การยอมรับกับความจริงของผู้อื่นคือความสุขความเจริญของผู้อื่นถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นบุคคลที่เราไม่ชอบก็ตามแต่ถ้าเราชื่นชมยินดีไปได้จะทำให้ใจของเรามีความสุขจะทำให้ใจของเราไม่เศร้าหมองและจะทำให้เราไม่อิจฉาริอเสี ถ้าเรามีความอิดช้าหรือเสยียเราก็อาจจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีกับเขาได้ดังนั้นขอให้เราหัดเจริญมุติตาจิตอยู่เรื่อยๆชื่นชมยินดีกับความสุขและความเจริญของผู้อื่นเช่นเวลาเราเล่นกีฬาอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราแพ้เราก็ต้องมีน้ําใจเป็นนักกีฬา เราต้องแสดงความยินดีกับผู้ชนะเราต้องยอมรับว่าครั้งนี้เขาเล่นดีกว่าเราเขาเก่งกว่าเราครั้งนี้เราสู้เขาไม่ได้อย่าไปโกรธอย่าไปโมโหอย่าไปว่าอ้างนู่อ้างนี่อย่าไปทําให้เสียความรู้สึกต่อผู้ถ้าเราแสดงความยินดียอมรับความแพ้แพ้ของเรา ยัมรับการชนะของผู้อื่นทุกคนก็จะมีความสุขกันนี่คือเรื่องของมุดิตาที่เราควรที่จะเจริญอยู่เรื่อยๆข้อที่สี่ก็คืออุเบกขาอุเบกขาก็คือการทำใจของเราให้เป็นปกติคือไม่ดีใจไม่เสียใจถ้าเราไม่สามารถที่จะ แผ่เมตตาได้ไม่สามารถที่จะแผ่ความกรลปนาได้ไม่สามารถแผ่มุทิตาจิตได้ก็ขอให้เราทำใจเฉยๆ อ, อ, อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียอย่าไปอิจฉาลิษยาถ้าเราไม่สามารถที่จะไปแสดงความยินดีได้ก็ขอให้เราทำใจเฉยๆไว้ ถ, ถือว่าเป็นเรื่องของกรรมถือว่าเป็นเรื่องของกรรมสัตว์ท่านหลายมีกรรมเป็นของของตนไม่ว่าจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถึงแม้ว่ากรรมนั้นคือความทุกข์ยากลำบากอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเราชอบและเราอยากจะช่วยเหลือให้เขา หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากแต่ถ้าเราไม่สามารถจะทำอะไรได้เราก็อย่าไปทุกข์กับเขาเพราะความทุกข์ของเราไม่สามารถที่จะไปช่วยความทุกข์ยากลำบากของเขาได้และจะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเวลาคนที่เรารักเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถรักษาให้หายได้ มีแต่รอวันตายไปวันวันหนึ่งเราจะไปทุกข์กับเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็ต้องตรงอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเป็นกรรมของเขาที่ถึงเวลาที่เขาจะต้องรับผลของกรรมนั้นถ้าเราตรงได้แล้วใจของเราก็จะ เป็นปกติจะไม่ทุกข์ไม่หุ่นวายไม่เศร้าหมองไม่เสีย อ, อกเสียใจและเราก็จะได้ไม่ต้องไปทำอะไรที่เสียหายตามมาก็ได้เพราะบางทีถ้าเราอยากให้เขาหายมากๆบางทีเราอาจจะไปทำอะไรที่ไม่ควรก็ได้จึงขอให้เราพยายามใช้อุบเบกขาจเจริญอุบเบกขาอยู่เรื่อย ว่าคนเราเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาคนเราทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกับนั้นวิธีที่จะฟองใจให้เราเป็นอุเบกขาก็คือเราต้องฝึกทําสมาธิพอเวลาทําจให้เป็นสมาธิแล้วใจจะเป็นอุเบกขาจะทําใจได้ ถ้าเรายังทำใจไม่ได้เราต้องหัดทำสมาธิบ่อยๆต้องเจเริญสติก่อนต้องควบคุมความคิดของเราอย่าให้คิดเลื่อยเปื่อยให้ทำใจให้ว่างให้รู้เฉยๆไม่ต้องคิดอะไรด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปทั้งวันตื่นมาตั้งแต่ตื่นมาจนหลับขอให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ เราใจของเราจะว่างจะเย็นจะสบายจะไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆพอมีเหตุการณ์ที่จะทําให้เราจะต้องทําใจเราก็จะทําใจได้เราเพียงท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะลืมเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจนี่คือคุณธรรมที่เราควรที่จะเจริญการสี่ประการด้วยกันเพราะจะทําให้เรา เป็นคนดีมีความสุขและมีความเจริญนั่นเองก็คือเมตตากรุณามู้ดตาอุเบกขาถ้าเราทำได้แล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่วุ่นวายเราจะไม่มีปัญหาอะไรกับใครจะมีแต่คนรักคนชอบจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย จึงขอฝากเรื่องของการมาเจริญคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้คือเมตตาทารุณามุติตาอุเบกขาให้ท่านได้นำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมเกวยแกเ่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้